นะเรื่องตัวยังเขานาหนาวอาการหนาวเย็นสบายบอกนานาวภาวนาดีแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบอาวนามันก็อบอกไม่ดีมันก็อ้างทุกฤดูเลยดูนหนาวก็ไม่ดีดูร้นรอน ก, ร น, นก็ไม่ดูฝนก็ไม่ดีเลยไม่ทําสักฤดูเลย เป็นก็อาวาคนขี้เกียจหน้าหนาวทําทให้กลายรูปร่างกายเราเย็นมาระหวังสุขภาพมันจะไม่สบายกายเยน็นกายเยน็นนั้นไม่ดีแล้วใจเย็นนั้ดีใจเย็นคือใจดับดับความสับสนวุ่นวาย ที่สัญญาอารมณ์รับมาทั้งวันรั้นตรามนุกดู ว, วันวันหนึ่งถ้าสมมติว่าสิ่งที่มาเข้ามาในใจของเรามันมีของสกปรกผ่า น, นามา่ผ่านมาพัานเข้าผัานออกหมืนน่นรถขับทุกวันแล้วไม่ล้างไม่ทำความสะอาด ไม่เคยทำความสะอาดเลยเหมือนกับใจเราคิดไปเรื่อยไปสารพัดโดยที่เราไม่ได้ล้างใจเราเลยเคยไม่ทําความสะอาดใจเราก็มีแต่สิ่งเหล่า น, นี้สุดท้ายก็มีแต่เครื่องซ่อมมองอยู่ในใจท่านพิจารว่ากิเลสที่แปบวเครื่องซ่อมมองคือทําใจมันซ่อมมองนั้นจิตเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเกา่า คนทาแล้วไม่ทําก็ดีก็คือเป็นหลักการว่า <c oughs> ในทางปฏิบัติพูดง่ายๆคือสำหรับเราที่จะนับต่อไปคนที่จะนับสองสามได้คือเริ่มต้นขึ้นตัอนับหนึ่งทุกคนเพราะนั้นเราจะไปคิดว่าอ๋อ การเริ่มต้ น, นีพื้นฐานมันเสียเวลามัวจะเป็นนับหนึ่งอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักทีแต่ต้องต้องมันเลยว่าถ้าเราไม่นับหนึ่งเราจะไปยังไงสองสาสี่ต่อไปอยังไงในขณะที่คะแน้หนึ่งตัวนี้มันไม่ใช่ครั้งเดียวต่อถึงร้อยเดี๋ยวก็ร้อยหนึ่ง้อยสอง้อสามมันก็ได้หนักไปอีกซ้ก็ไปอีก อันนี้คือแบบตัวเลขตรงข้ามถ้าเป็นธรรมธรรมก็เหมือนกับการนับตัวเลขก็เหมือนกับโลกอยู่แบบโล ก, โลกคือนับหนึ่งสองสามสี่ร้อยพันแสนล้านไปเรื่อยๆนี่คือโลกเขาจะอยู่กันอย่างนี้อารมณ์ของโลกแต่อารมณ์ของธรรมไม่ใช่นับย้อนกลับถอยหลัง จากร้อยเกาสบจนสุดท้ายเหลือหนึง่งใช่ไหมเพราะนั้นหนึ่งที่สุดสำคัญสุดท้ายเป้าหมายจริงๆคือหนึ่งถ้าอยู่แบบร้อย0ันแสล้า น, น, นคือโลกอะ่ะก็แปลว่าอารมณ์ของเราที่มันตเติบโตเปิดเิยไม่รู้กี่ร้อยพันแสล้านความคิดตามสัญญาอารมณ์นั่นคือโลกมันจะเรียกว่าสังขารโลก สังขารมีสออย่างหนึ่งสังขารโลกกับสังขารธรรมสังขารโลกก็คือปรุงแต่งเรื่องของโลกอะไรที่มันชอบมันพอใจสิ่งดีหน้าที่การงา น, นบุคคลอะไรก็แล้วแต่ปรุงแต่งไปแล้วรู้อันนี้มันนับตัวเลขหนึ่งสามสี่ก็เลยไม่มีวันสิ้นสุดนี่สังขารโลกสังขารธรรม นโอปนาจิโคย้อดมองว่าตัวเองสุดท้ายเหลืออารมณ์เป็นหนึ่งคือเอกะกะตาอารมณ์ก็คือหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยอย่าไปลืมพื้นฐานที่ครูบาอาจารย์ขงเรานำไวแนะไวโดยเฉพาะหลวงปู่หลงพร เวลาก่อนนั่งสมาธิก่อนไหท่านจะวักอธิษฐานเอาอธิษฐานจิตเริ่มต้นเพื่อเรียกสติให้มาอยู่กับตัวให้มากที่สุดยังไม่ต้องพูดตัวทโมสกุลเลยทัง้ทงทีให้สรุป ต, ตัวจาตรวตั ว, ตวเองจัดท่าให้มันเหมาะสมคืออยู่ได้นานสบายให้มันเรียบร้อย ก็อย่างที่เราทำอยู่แล้วเตรียมตัวนี่คือการเตรียมตัวต่อไปเป็นอนุสติก็คือให้ระลึกเป็นอนุสติก็คือใจสาระคมนั่นเองเนี่ยคือนี่คือวิธีเข้าถึงใจสารณคมโดยการเปล่งแต่นี้เราเว่านั่งเราไม่ต้องเปล่งนึกเอาหนึ่งก็คือพุทธคน 2. ธรรมกคนสามสามังฆคนพุทธคุณก็คือไหว้พระนั่นเองที่เรากราบทุกวันนั่นคืออาลางต้นามาสมุโทโรธประกะวาพุทธังปะกวันต่างอริวาเทนิขปเจ้าขอกราบพุทธเจ้าขอรู้จักคนของพระพุทธเจ้า 2. นักถึงพระธรรมโดยมวลมวลสวากาโต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 อาศัยสามคำ3ามอย่างคือคำบริกรรมคือการนึกลมหายใจแล้วก็สติคือการรู้ตัว3ามอย่างให้มันสมัครกันการนึกก็คือคำบริกรรมก็คื อ, ค อ, ครรคอพุโธนั่นเองนึกเข้าพุทพอพุโธให้มันานานๆยังไงก่อนก็ได้ สองกำหนดลมหายใจกำกับตามด้วยในขณะที่พูดก็สูดลมาใจตามเร็ววะพุทออกวัดโถปล่อยปล่อยปล่อยเป็นธรรมชาติเราพูดสันส้นๆโถสั้นๆจะเป็นยังไงคือให้ยใจเข้าสัน้นพุดธหายใจออกสัน้นโถอย่างนี้มันคือดับมันไม่สบายแตงไม หายจจะเข้าระดับกลางกลายอจจเข้าพูดให้เอาพทโธมันสบายมั้ยแต่ยังไม่สบายหายจจะเข้ายาวว่านั้นอีกหเข้าพูดให้เอาให้มันเป็นธรรมชาติดูสังเกตปุทโธละไมายใจสติสามยันดูตรงไห น, นปลายใจมอูอ ก็คือที่ลมเข้านั่นแหละสังเกตให้ปลายจมงลมหายใจเข้าละเอียดหยาบกลางให้รู้แต่ถ้าเรานึกเป็นฐานก็เหมือนคราวที่แล้วผูใ้ในฟังนี่คือปลายจมงหนาา้าปากกำมมงลกศิษย์และก็สวงอก ค่อยๆทาทีละอย่างทีอย่างกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนมันนั่นจนสุดท้ายจนชำนาญวันนึงทีเดียวสซ่ลมหายใจ้าผ่านถึงส่วนอกก็อยู่เลยอันี้ทําความรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวแค่ลมไปทั่วร่างกายหายใจเข้าผ่านจมูกอ้าปากขึ้นถึงหัวลำจนปลายเท้าแล้วก็ออกไปย้อดกลับมากลับไปกลับมาจนน้วรเล่นลม การทาอย่างนี้มีประโยชน์เลยวว่าที่คนพูดนี่เคยเล่าพวกเราฟังมาก่อนกินป่วยหนักๆเรียกว่าปางตายเวทนามันกลา้ากลามากๆใส่ยาสลบยาชาก็าไปเพื่อสองกล่อง้วไปเรวออกมาก็ไม่เห็นไหลตามาันก็พราลมก็ มันก็จะหมดในขณะนั้นในความรู้สึกมันบอกมันบอกคือมันรู้ขึ้นตัวภายในรถ้าปล่อยลมก็คือตายแต่ <c oughs> ถ้านี้นยังตายไม่ได้ยัง <c oughs> มีวารกิจที่ต้องรับป็นปชอบมไม่ได้กลัวตายแต่ <c oughs> ว่าตายไปแล้วคนที่อยู่ข้างลังลำบากอธิษฐานเจดว่าม <c oughs> ถ้ามีชีวิตยอยู่ต่อไปแล้วเป็นประโยชน์จากธาระต่อบคุคคลสมณะพระเนรฆราวาสญาโจรคนอื่นๆมันก็ควรจะอยู่เพื่อยังประโยชน์เหล่านั้นให้สำเร็จพยายามกำหนดสุดตามันก็ไปแล้วโอ้ก็ไปแล้วในขณะที่เงือท่วมตัว ากาศท่องแอร์เย็นๆเงามันท่วมตัวไปหมดจะได้กำหนดลมหายใจได้แรกๆมันได้สุดท้ายไี่ได้ลมหายใจเข้านิดเดียวมันไม่เข้าแล้วหายใจออกนิดเดียวมันไม่เข้าพวกเราลองทําดูคือหายใจเข้าสักเดีย ว, ว, ลยยวแล้วกดออกไว้แปหายใจออกมันอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามันปันป่นปวนได้หมด หายใจเข้าไม่ได้นิดเดียวเองหายใจออกนิดเดียวเองคือกําหนดไม่ได้เลยลมรู้เลยว่าลมพัดลงเบื้องต่าเป็นยังไงมันก็จะออกข้างล่างลมพัดขึ้นเบื้องบนมันจะไปรู้ชัดเจนว่าลมมันแบ่งกันอย่างนี้เพราะฉนั้นเวลาคนตายเลือดที่มีอยู่ ลมมันจนจะขับไปทางทวารคือช่องรอั้หมอเขาต้านะองบาลเขาต้องปิดงันมันจะไหลออกอันนี้คือลมมันจะดันเราคือลมพัดขึ้นเบื้องบนอันนี้เราก็เคยท่องเคยสวดเป็นประจำประจำมาเจอเขาจิดไม่รู้มันอยู่อย่างนั้นใ น, นกานรั้วถ้าปล่อยลมมาไปแล้วเส้นเลือดตึงระบบปูนนูนออกมาชัดเจน พูดได้ยินเสียงรำนาวพูดที่ได้ยินหมดแต่ไม่ตอบตัวไม่ได้ก็กําหนดรลมอาจจะถ้าเป็นอย่างนี้มันคงใหญ่า ย, ยากก็สู้อยู่อย่างนั้นกับเวทนาตอนนั้นห้าชั่วโมงเกินนําลายยังไม่ได้เกินน้ลายยังไม่ลง ในเห็นว่าอานิสงส์หรือปนโจรของลมหายใจไม่ใช่ธรรมดานะ ม, น ม, ามันมากจัจจ์มากๆลมถ้ายังอยู่นี่ยอื่นๆมันก็อยู่ตามไปด้วยเด่นนะ้ำไฟลมร่างกายก็จะอบนในขณะนั้นร่างกายก็เย็นใช่ทั้งทั้งที่ลมอยู่เพราะฉะนั้นคนตายเมื่อหมรลมหายใจแล้วจะเย็นลองลองไปจับือร่างกายจนเฉียบมันอยู่ในห้องเย็น เห็นไมนี่คือความมหัศักดิ์สทธ์ของยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าที่เอาลมมาใช้ใเป็นประโยชน์เห็นอันสองชัดเจนถ้าไม่เคยกำนดลมไม่อยู่กับลมไม่ฝึกกับลมมาก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนตายไปแล้วคนพูดในะคงไม่มีอย่า ง, างนี้เพราะร่างกายกระดูกกรเรี่ยวไม่ไหว แค่ขยับตัวก็ไม่ได้คือคือหมดคนง่ายมันมีเรีย่ยวไม่มีแรงแขนขาเจ็เจ็บถามกันไปจนจุดท้ายเบาห้าน้ำเกลือ น, นั่นนี่ดูก็ฝุ่นเองก็ฟื้นขึ้นมาเริ่มรู้ตัวนะโอ้ลมมันเป็นอย่างนี้เพะฉะนั้นก็เป็นอุดาหอนสอนเตือนใจพวกเราท้งหลายว่าขณะที่เรายัางแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เนี่ย พยายามดูลมใช้เราไม่เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดนี่ก็เลย้างหลังเน้นเรลมไม้ใจสติพุโทโธเพื่อเป็นอารมณ์เดียวลมซ้ำอย่างถ้าเราทำอย่างนี้นกําหนดให้มันเข้าใจเดีแล้วมันจะเข้าสู่ฐานกขมีคือสูงอกนี่แหละเมื่อมันอยู่เป็นอารมณ์แบบอันเดียวเป็นอันหนึ่งแล้วก่อนนั้นนนั้จะเพิ่งไปปรุงไปแต่งนั้นนี่นู่ น, อ, นอดีตอนาคตปัจจุบัน อยู่กับลหมหายใจสุดท้ายลหมหายใจคำใบยกรรมทุกอย่างมันก็จะหายไปเหลือแต่การรู้ตัวคือรู้ตัวเราคำรู้ตัวอธิบายให้ผู้เรียนเราฟังอยู่เสมอว่าโอ้อการรู้ตัวนั้นสาคัญทุกวันเราไม่มีการรู้ตัวเราจึงพั้งเผลอ ทำไปตามสัญญาอารมณ์ที่เราคิดได้พูดได้ทำได้นึกได้ตามความเคยชินเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาก็ตามมันไม่เคยปิดไม่เคยกัน้นไม่เคยห้ามอะไรๆเล ย, เลยไม่เคยรู้ว่าอันนี้โกรธอันนี้โลภอันนี้หลงเนี่ยจิตมันไม่อยู่ไม่มีอารมณ์ปเป็นอันเดียวคือพูดง่ายๆคือไม่สงบ จากการที่รู้ตัวเสร็จแล้วมันจะเกิดตัวรู้อืก็คือพุโทโธนั่นแหละจะเรียกคำไงล้วแต่เกิดเหลือแตัวรู้ท่านจึงเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้เกิดจากใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมัดทั้งแปดเดี๋ยวมัดมีองค์แปดไม่ต้องไปแยกว่าอะไรนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิอันนั้นเป็นสัมมาสังกัปะปะสัมมาวายมะสัม ไม่ต้องเป็นนึกมันต้องพยยังไม่ต้องเป็นแต่มันเป็นศีลในภาคปฏิบัติโดยสมบูรณ์แต่ว่าเมื่อขึ้นต้นแล้วท่านจะเอาปัญญาเป็นตัวนำเห็นไหมสมาธิที่ตัวปัญญานะี่สมาธิสมาสมาธินน้นสมาธิอยู่ข้างล่างเอาปัญญาขึ้นก่อนแต่นั่นแปลว่าต้องจิตเป็นสมาธิจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งก่อนนะนี่เกิดปัญญาเมื่อจิตอารมณ์เป็นหนึ่งแล้ว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 คือไม่ทํางานร่วมกันก็คือเส้สนสธิปัญญามันไม่ได้อยู่เป็นอันเดียวกันเป็นอันหนึ่งเอวาเอขายนามันมันเหมือนกับตาคนต่างยกลองดูเสาต้นไม้อะไรแล้วแต่แปดคนเนี้ยแล้วก็ยกกันคนทีคนนั้ยกคนทีคนคนีไม่ขึ้นตัวให้ยกกันมีแรงมีแรงก็ไม่ขึ้น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 เรต้องทรมานทรมานจิตทรมานกายตัวเรานี่ทรมานจนมันได้ที่ถ้าเราเนื่องไม่ออกเราหนุกถึงปลกมีดปวกพระปลกอะไรก่อนที่จะปเป็นมีดเป็นพระก็ทำยังไงเอาเหล็กไปเผา ก่อนที่เหล็กไฟเผาก็มันก็มีเชื้อพูด ง, ง่ายๆคือไฟคนเราต้องมีไฟก่อนนะสมฟปนไฟคือความเพียรเฟืนไฟนะั่นคือความเพียรเรียกว่าหาตาปีแปลว่าความเพียรยังกิเลสให้ร้อนคือต้องเผากิเลส ก, ก่อนแล้วค่อยตีเหมือนมีดเหล็กนะ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 สติปัญญาที่เรามีอยู่มันก็จะแหลมมันก็จะคมมันเหมาะสำหรับ ต, ต่อสู้ประ ห, ระหารกับกิเลสที่มันมีอยู่ก็คือสิ่งที่มันนะึกคิดปรุงแต่งสองทางดังกล่าวก็คือถ้าเป็นทางโลกควเมคิดแบบโลกโลกอะไรเราสังคตธรมไม่ไมีที่สิสดุดคิดแบบธรรม เรือสังกตดธรรมทำแบบเรื่องของทางธรรมสุดท้ายทั้งสาทั้งสองอย่างนั้นก็เรียกว่าสังขารคือยังปรุงยังแต่งอยู่เมื่อจิตมันนิ่งมันเข้าใจมันวางธาตุขันธ์อายตนะที่มีอยู่ในตัวเราเทั้งหมดธาตุคือธาตุดินน้ำไฟลมอยายตนะคือต่อที่เชื่อมต่าหูมชมูรีกาย อารมณ์สัญญาที่มันจำได้ตามสัญญาอารมณ์เรียกง่ายๆว่าสัญญาอารมณ์คือความจําจําอะไรจำโลกจํำเวทนาจําอื่นแล้วมันเป็นสังขารคือปรุงมาแต่งจิตมันทำธรรมชาติของมันมันก็จะเป็นอย่างนี้การตัดของมันแต่ถ้าจิตมันไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาปรุงมาแต่งมันอยู่กลางๆมันเฉยๆมันว่าง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 สุดท้ายท่านมันลึกก็ไปจริงๆมันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าถ้าจิ๋งอยู่ลักษณะนี้มันก็ยึกกดจิตอยู่มันไม่มีรูปก็คืออารูปนั่นเองคือไม่มีรูปแต่มันเป็นรูปละเอียดเห็นมากกว่าที่เราคิดอืมเพราะฉะนั้นเอาแค่รูปเจ็บจ่าบเนี่ยเราจังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็ใช้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ ไม่เคยประโยชน์เลยก็เพราะว่าเราไม่เคยยกขึ้นมาพิจรารณาให้เข้าใจอย่างตังทแท้คาว่าพิจรารณาไม่ได้แปลวันนึกตัวเอ ง, เองคิดตัวเองปรุงแต่งเอาเองอันนั้นมันปันไม่ใช่มีปรัสนาปรัสนาคือั้างกับขิ้ใจเราเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิท่านเรียกว่ามีความรอบรู้ในกองสังขารด้วยปัญญา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 ถ้ามันรู้ด้วยปัญญามันจะต้องเข้าลักษณะทํานองนี้คือจะต้องเป็นไปด้วยความเบื่อหน่ายคล้ายความกําหน่ำสลดสังเวชหรือว่าเกิดสังเวชธรรมขึ้นมาในรูปร่ายนี้จะเป็นของเราของเ ข, งขงกาก็ตามที่ปรากฏขึ้นมามันต้องเป็นไปแลลักษณะอย่างนี้ซึ่งปัจจุบันมันตรงกันข้าม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 แล้วมันก็จะจําแต่จําไม่ดีอ่ะเพราะจิตไม่บางก็รตรงกันขาถ้ามันจําเออนี่เป็นดีคนดีแต่เราเราใจมันจริงดีมันก็เป็นโทษทั้งคู่อเพราะยังไงจิตก็ยึดยึดอากจากคู่คือตรงกานข้าประธรบทคือจะต้องปล่อยเมื่อจิตมันปล่อยสิ่งเหล่านี้จิตมันก็จะเป็นอิสระไม่มีอะไรมาชี้นําคือ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 มันเข้าใจว่าเออมันก็เป็นกลองกล่มันก็เป็นส่วนส่วนมันก็เป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นเหมือนรถยนต์ที่มันวิ่งได้เพราะมันประกอบกันถ้าแยกกันมาเป็นชิ้นส่วนมันก็วิ่งไม่ได้ร่างกายของเราเนเหมือนกันนี่การหรือภาษาโบราณภาษาวาจาั น, นั้นบอกว่าม้างภาษาอีสานเขาบอกม้ า, มางก็คือหรือมันในวิชานี้ถ้าเดียก ว, ว่าวิชาม้างกาย คือรือกายออกมาแล้วประกอบใหม่รือแล้วประกอบประกอบไปรือคือรื้อแล้ถอนถอนได้รื้ออีกถ้ามันชำนานจนกระทั่งจิตมันรู้หลักการเป็นระบบมโหถ้าวันใดวันหนึ่งจิตมันมาอยู่กับร่างกายนีแล้วคือมันถอนออกจากร่างกายนีแล้วมันจะไปไหนมันจะอยู่ยังไงซึ่งบุคคลทั่วไปคิดไม่ออก คิดไม่ได้อย่างเนี้ยท่านเรียกว่าสังขารจิตที่มันพ้นที่มันไม่คิดคือมันคิดนอกเหนือไปจากเสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าวิสังขารก็ไม่ตำเป็นจำเพราะจิตมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้คือมันพ้นจา ก, กสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเหนือสมมต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 ก็จะยึดจะติคือได้อะไรมาก็ยึดได้อะไรมาก็ถือนี่คือจิตที่มันไม่ฉลาดหรือว่าจิตม่ปล่อยวางทุกเรื่องที่มาเป็นประกอบราา่าง ก, กายของเราเสื้อห้าอาร์อื่นเครื่องประดับทั้งๆ ท, ท, ที่มันอยู่ข้างนอกแต่จิตเนี่ยมันบอกว่าของเราของเขานี่คืออัตตา เย่เข้ามากระตาถ้าผู้ใดมีลาบากมันจะถือมันจะถอนออกไม่ได้ยิ่งถือมากยิ่งลาบากมากถือตัวถือตนถือเราถือเขายิ่งหนักถ้าผู้ใดปล่อยผู้ใดวางคือใจมันปล่อยมันวางเสียนอนนี้เหมือนกับเสื้อผาสมมตมันหายไปแล้วเออจำมาเถอะ มันหายไแล้วก็ซื้อมาใหม่มันหายไปซื้อมาใหม่ก็จบแต่ถ้าจะเอาเรื่องให้ด้ในหลักการนะว่าจิตมันไม่ว่างที่หนักกว่านนั้นคือรูปร่างกายเพราะมันจําจํามาตั้งแต่กเกิดจำจิตจำความได้ อ, อุปาทานนี่คือเชือ้อเชื้อที่เราให้มันมเกิดอีกให้เป็นอย่างนี้อีก เพราะนั้นถ้าใจมันไม่เป็นปัญญาไม่เกิดปัญญามาได้แค่สัญญาสัญญาสัญญาญเราก็ลำบากเพราะสัญญานี่แหละถ้าไม่มีสัญญาเมื่อไหร่สบายนึกถึงข้อผูกมัดเวลาเราทำธุรกิจการค้าทั้งหลายเลยจะต้องมีสัญญาสัญญาว่าจ้างสัว่าสัญญากู่ยืมสัญญาอะไรก็เถียงคว่าสัญญาเห็นไหม โลกเขาใช้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะตั้งลงชื่อใครคุกคู้คู่ยืมหลักฐานพยานเรียกว่าสัญญาสัญญาไร้ก็เรียกไปตามนั้นและต้องถือนะต้องยึดนะนี่เรียกว่ามีสัญญาเห็นไหมไม่มีแล้วมันเป็นโทษนะถ้าผิดสัญญาเมื่อไหรนะ่ลำบากนะแต่สัญญาสัญญาใจที่มอยู่ในใจ มันไม่ได้แค่นั้นสัญญาข้างนอกแค่ผิดแค่เอาเรื่องจบข้อคุบวัตราแล้วก็ออกแต่สัญญาที่อยู่ในใจมันแกะไม่ได้ออกไม่ได้มันติดมันทําให้เราวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้มันออกไม่ได้เมื่อออกมาได้ท่านเรียกว่าสังสาราวัฏมันออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมดจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ ผู้ใดก็ตามถ้าออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ท่านในเดยกว่าวัตต์ตัดทำเดยกว่าวิวัตตตเมื่อใจเป็นวิปต์ตแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มันคองอารมณ์คงไม่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นการนึกคิดปรุงแต่งในขั้นสูงหลังการปฏิบัติแล้วเกิดมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งเป็นอังเดียว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 มันตั้งอยู่ก็แปลว่ามันปรากฏขึ้นมานใจให้พิจรารณาทุนั้นก็จะดับสุดท้ายคือเกิดดับนันเองรู้กันเกิดกันดับกันเกิดดับเหมือนความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งของเราความรู้เกิดขึ้นคือรู้เรื่องความโลภหรือความโกรธเรื่องความข้องรองแล้วมันก็จะดับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ใหมันมีนะแปลว่า ใ, ใจมันไม่มีสิ่ง น, นี้เลยมันมีดีแล้วมันเป็นประโยชน์ ถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์แต่ใช้มันไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษเหมือนมีดนี่แหละมีดมันไม่ได้มีคนไม่มีโทษเลยมันจะเป็นคนจะเป็นโทษก็ต่อเมื่อคนนี่เเอาไปใช้มีดดีๆไปฟันหัวคนไปแทนคนนะมันมเป็นโทษแต่ไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นคนแต่คนหรือโทษมันไม่ได้อยู่ที่มีด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 โทษจิตโทษใจของตัวเราเองเพราะเราใช้ไม่ถูกทางนี่เราใช้ไม่ถูกทางก็เพราะเราไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เปฏิบัติใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นประโยชน์คมมีดมันก็คือของกลางถ้าเราจิตอย่างนี้เป็นประจำอยู่เสมอมอจตเข้เสือพิจรารณา จนมันหมดกำลังคือเหนื่อยแล้วก็พักคือพักจิตคือทําสมาธิใหม่ทำสมาธิยังไงก็หนดเหมือนเดิมก็เหมือนกับเข้ายังไงก็ออกอย่างนั้นออกไปยังไงก็เข้าอย่างนั้นเหมือนเข้าวัดเข้าวัดสันนิษฐานแล้วเข้ามายังไงเวลาออกไปเข้าไปอย่างนั้นเหมือนเดิมเหมือนกันก่อนที่เข้าค่อยไงเข้าทางลมหายใจจะมองกันไหมมาเข้าถึงใจเข้าถึงใจ คือจิตสงบนั่หละมันจะออกก็ตอนอย่างไหนมันก็ออกกก็เข้าออมาอยู่นี่คือกําหนดให้มันรู้กายวันนั้นมันจะออกจากสมาธิให้กําหนดกายรู้กายรวมเพราะทางอินท่านใช้คํานี้เขาบอกกาหนดกายรู้กา ย, กา ย, กายคือให้กําหนดกายแล้วก็ให้รู้กายแหละค่อยทำลงให้ใจจากที่มันไม่เอียดได้มันจะหยาทําใหม่ทําใจให้มันสงบใหม่คือพักพักยก ซือรบตบสึกกันมานานพักยกคือทาํคอคอน า, นมม า, วว า, าทความรู้สึกใหม่คือฝนใหม่คือมีดใช้ไปนานมันลืมไม่ได้เรื่องละเอามาฝนใหม่ทําความรู้สึกใหม่นั่งสมาี่ใหม่พักไม่ใช่บวชคิดอยู่ตลอดปัญญายให้มันเกิดปัญญายอยู่ตลอดคือพักเหมือนคนเราธรรมชาติของมันสอนเราเหมือนกับชีวิตที่เป็นอยู่ประจําวันกับพวกเราจิตกับกายเหมือนกัน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 ก็คือก็หมจคือจิตมันหลับนั่นแหละคนยังไงเก็นพักมันกับกายนอนไปเลยคือไม่ไม่ต้องการที่รู้ต่างตาต่างหูต่างปากทางอะไรอื่นเละนอนคือนอนดูกับภาพภายในดิกว่านิมิตนิมิตตัวนี้เวลาเป็นสมาธิท่านที่ไม่เรียกว่าฝันท่านเรียกว่านิมิตแต่เวลาคนนอนหลับเขาเรียกว่าฝันไม่เรยว่านิมิตมันก็คือนิมิตนั่นแหละ มันไม่แ ส, สดงแสดต่างตาทางหนี่เองจิตข้างเราเดืกเหมือนกันรับความสุขัยพักจิตคือจิตไม่ได้ถอนออกมาแล้จิตจะมีกำลังอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาพิจารณาตรงไหนยังไม่ชัดก็ยกขึ้นมาถ้าลมหรือมีมิตรรูปอะไรต่างที่มันปรากฏกำหนดให้มันชัดคือใชให้พูดง่ายคือขยายจ่นลมหายใจ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 จิตมันยึดสิ่งเลยอันที่หนาเลยตอนนี้ไม่เป็นไหนยึดความสงบก็ติดอยู่ในความสงบนั่นแหละมันไม่เป็นปัญญามันไม่เกิดปัญญามันไม่แหลมมันไม่คมทําอะไรไม่ได้มันก็ได้แต่สงบมันคนนอนหลับคนนอนหลับไม่มประโยชน์อะไรเลยหมายความว่าอยู่ต่อหน้าที่การงานไม่มีเลยไม่สมาธิหาหินอะไรได้คือไม่สมาธิอืนทองทรัพย์สินไม่สมาธิเงาะเงื่อนใดในขณะนอนหลับเหมือนกัน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 รูปร่างกายธาตุสีขันธ์ห้ของเราที่มีอยู่มันกดยกได้เมื่อยกได้มันก็จะเบาซึ่งต่างกับคนเราทั่วไปมันหนักมันยกไม่ได้มันข้ามไม่ได้สุดท้ายเสียงแล้วมันก็หนักมันกระแทกมันกระถ่มจิตใจเราวันนี้คือลักษณะของคนที่เคยฝึกแล้วกับคนที่ไม่ฝึกเลยมันต่างไปในที่สุดท้ายไปคิดว่าโอนการเป็นว่าเออหนักอกหนักใจเพราะมันหนัก มันกดมันทับใจเราคืออารมณ์ธรรมชาติของคนเราเนื่องจากเวลาแขกใ่มันเรอยู่บ้านแขกคนนั้นไปแขกคนนี้มาอืเมื่อวานก่อนไปพู้ที่ลําปากเราพูดเรื่องนี้เขาบอกเราก็าหมดจะรับแขกถ้าอยู่บ้านหมได้รับแขกกันเดียวหมดรับแขกก็คือกิเลส ท, ที่มันจอนมาทุกวันเดียวคิดนั้นคิดนี้คิดนั้นัน่นคือแขกนั่นคือกิเลส ท, ที่จอนมา ทางทั้งที่บ้านเราก็มีห้องนอนนะแต่เราไม่นอนมัวแต่รับแขกแขกนั้นทั้งามันมันหนักมากๆกันถ้ามันในขนาดจะรับแขกมันไม่สบายไม่ลําบากก็ห้องปล่อยทุกข์ก็มีให้ปล่อยคือห้องสุขานั่นแหละที่เรื่อง้องสุขาร์ชี้ได้ห้องส่วนห้องแรกแล้วแต่เียห้องน้ําปแแต่แต่มันก็คือห้องปล่อยทุกห้องปลดทุกเมื่อทุกมันมีเราไม่ออาไปปล่อยเราไปเก็บเอาไว้เห็นไหม ในบ้านเนี่ยมันบอกเป็นธรรมะชั้นยอดจริงๆเลยให้นึกถึงอ๋อที่มันทุกข์ก็เพราะเราไม่ปล่อยมันลำบากทุกหนักทุกเบาเรายังปล่อยทุกหนักก็เอาทุกหนักไปปล่อยทุกเบาเอาทุกเบาไปเรียกว่าหนักเบาแต่ยังไงมันก็ต้องปล่อยไม่ว่าหนักก็ดีเบายังไงก็จะต้องปล่อยใจเรานี่ยก็เหมือนกันเราจะเป็นทุกหนักหรืทุกเบามันก็จะต้องปล่อยแต่ที่นี่จิตไม่ฉลาดมันไม่ปล่อย มันจะปล่อยยังไงอ่ะบ้านเราประนีกลาคืนเขามีห้องนอนพอนอนเสร็จมันก็ไปมาแล้วเจ็ดที่คือเหมือนกันห้องนอนของเจ็ดคืออุเบกขารมทำใจให้ว่างวางอ่อนวาลงลมทั้งหมดนะแต่เราไม่ว่างเลยก็คือไม่นอนเลยห้องนอนมีให้นอนไม่นอนออกมารับแขกคือออกมาห้องรับแขกเดี๋ยวคนนั้นไปเดี๋ยวคนมาต้อนรับ อยู่อย่างนั้นคือมารับแขกคืออาคันตุกะก็คือกิเลสนั่นแหละที่มันเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปสู่ใจเราแต่เราไม่เคยเป็นประเค ย, ยกันมันรับนัานๆนออกทําความสงบ ก, ก็คือทานอนทำสมาธินั่นคือปิดประตูไปตามรับแขกแล้วจิตเจะสบ า, ายขมันได้พักนี่คือวิธีพักจิตส่วนร่ากายแล้วรู้ เราข้างนอนสบายไม่อยากให้มันรบกวนละห้องนอนถือไปทั้งสวรรค์นห้องส่วนตัวเลยจิตนี่ก็เหมือนกันเมื่อจิตมันงอวว้าวนเอาพาักท่าข้างนอนคือสมาธิแล้ววางอารมณ์ทั้งหมดเรียกว่าอุเปกาอรมณคือเอก ก, ะกะตาลมนี่เองคืออะไรเป็นหนุ่มมันก็จะสบายมันก็จะเบาไปหมดหรือไม่หมดนะไหเ ม, ม, ม, มื่อจิตมันถอนออกมาคือรับแคร์ดีคือรับรู้อีซึ่งมันจําเป็น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 เราไม่เคยรู้เลยเนี่ยที่อยู่ในใจของเราเร็วหัวใจเสี่ังอยู่นเราเต้องถามทุกวันเนี่ยในหัวใจเสียงเราอยู่ห้องไหนห้องหนึ่งคือเมตตาห้องสองคือกรูนาห้องสามมูิตาหสิ่อุเบกานวันมหนึ่งเราอยู่ในห้องไหน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 ถ้าเราไม่มีเมตตาต่อกันอยู่ไม่ได้พังนี่ความสําคัญของเมตตาความกรุณาความสงสารที่จะช่วยควนนั้นคนนี้พนทุกโดยไม่ช่วยตัวเราเองนี่คือความกรุณาแต่จำเป็นต้องมีบ้านต้องมีใจเราที่ต้องมีเพราะเรารู้เคยพูดอยู่เสมอใจเราอยู่ทียห้องแต่คูน้นำบุรีดาอุเบกขาทั้งสี่วั น, ว, นวันหนึ่งเราเลือกได้เราจะอยู่ห<ม>้องไหนให้นานที่สุด อยู่ห้องในสบาเป็นอย่า น, นแต่ถ้าสบายที่สคือห้องอูเบขายนะซึ่งจิตมันไม่เคยเป็นตายนะมันพักแต่จิตมันไม่เคยพักเห็นไหมเพราะเราจึงลำบากเราจึงเดือดร้อนมันกระเพาะเนี่ยเพราะจิตมันไม่ได้พักมันไม่เป็นเอกขาดังลมเลยเราก็มุ่งไปสารวนุน สมาธินั่นนี่นี่นคืคิดอยู่ข้างนอกตลอดเวลามัอนการนับหนึ่งอหนึ่งสองสามสี่นั่งกันบริกรรมของเราเป็นอย่างไงถ้าคิดนั่นนั่งสมาธิไปนั่งจริงแต่ว่าความรู้สึกทุกคิดผรงแต่งไปทางอื่นไปเรื่อยเนี่ยก็เหมือนกับนับอ่ะนั่งยืดเฉยก็เหมือนกับนับตัวเลขการนับหนึ่งสองสาไปเรื่มันก็ยืดหางไปเรื่อยคิดว่ายิดห่างการนับแต่ถ้าเหลือไปอารมณ์เป็นเดีขึ้นหนึ่งตัวเดียวเนี่ยจบเลย มันต้องอะไรเป็นคำตอบมันก็จะรู้เออมีอันเดียวไว้ไหมในความสําคัญของจิตที่สงบที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวนั้นถ้าเราฝึกตอนนี้ทําตัวนี้มันชํานาญให้มันเกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจําวันต้องบอกว่าประจําวันในวันวันหนึ่งคืนหนึ่งต้องรู้จักให้สติอยู่ใครดูที่สุดท้ายก็มีอารมณ์เป็นอยู่กับอารมณ์แปลนหนึ่งและจิตของเราจะแหลมคมเหมือนเป็นอาวุธมีด ถ้าเจดมังแหลมคมแล้วเนี่ยอาวัตมีดอยู่ในมือมังแหลมคมมันก็สามารถทธิฟาดฟันกิเลสความคิดการพูดการกระทําของตัวเราเองนะปาเดเชืดอเชิญแทงทะลุโ ป, ปรงท่าจะรู้ว่าท่านจึงบอกว่ามีความรอบรู้ในกองสังขารด้วยปัญญาคือด้วยเมตดนี่แหละที่มแหลมคมนี่แหละแต่ถ้าเราไม่รู้ในกองสังขารด้วยปัญญามันก็มีดนี้มีดทื่อๆอยู่ทําอะไรไม่ได้มันก็เป็นมีดเหมือนกัน เป็นปัญญามั้อกันปัญญาเล็น ก, นญญเกน้อยช่วยอะไรเราไม่ได้อันนี้คือสาระสำคัญในการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราทาตามอย่างนี้เบื้องต้นตัวอันดนับวันก็คือหนึ่งไว้พระก็คือพลานาคนทุกท่านคือ พุโทธโธธรรมสังโฆเร็จแล้วก็นัึงถึงพรุทเจ้าแล้วก็เลยได้พุโทธโธตรมสังโฆแล้วพุโทโธเดียวกัมหาใจ3อย่างและมีอารมณ์เป็นยังกจยกขึ้นญความพิจารณาแล้วก็จะมีกมําลังมีพลังมันสติปัญญาก็จะสมบูรณ์จากสติทีละเละ็กที่ละนิดที่ละน้อยที่ละเรื่องเช่นสติอยู่กับกายอันนี้เรียวาแยกและสติอยู่กับเวทนา น, นี้คือแยกสติกายเวทนาทจิต ทำถ้ายกสิ่งใดสิ่งหนึ่มันก็เป็นได้แห่เรื่องหนเรื่องหนึ่งจิ่งใดจินหนึ่งมันไม่ได้เป็นมหาสติเป็นสติเหมือนกันแต่ไม่เรียกว่ามหาสติถ้าเป็นมหาสติต้องมีอารมณ์เป็นอันเดียวเรียกว่ามหาสติแปลว่าสติใหญ่ถ้าสติใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะคลุมไปหมดมันจะรู้มันจะแจ้งของมันเองยามากของมันเองมันจะรู้ เขามันเองครับเพารู้นั่ก็คือวิชานั่นเองมันจะเป็นวิชาเกิด ค, ความรู้อะไรที่เราไม่รู้มันก็จะรู้อะไรที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติปรับ จ, จัดตังรู้เฉพาะตนมันนัน้นถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกประจำํำมีเสมอเราก็าเป็นลักษณ ะ, ะยอย่างนี้นกัใช้อันนี้เป็นประโยชน์พวกเรื่องนี้เป็นประโยชน์แล้วเราอยู่กับโลกก็ได้อ่าอยู่กับโลกก็เออไม่เป็นไรนะ โลกก็เขาก็อยู่กันนับกันนับก็บอกกัแล้วมันนั้นมีที่เส้นสุดอยู่กับธรรมก็อยู่กับอารมณ์อะนหนึ่งอะไรก็ได้ที่จิตให้ปูกมันอยู่กับอันใดอันหนึ่งถ้าเราจะอยู่กับโลกก็อาจเป็นอย่างนั้นนะถ้าอยู่กับธรรมก็อีกเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโลกกับธรรมโลกกับนามมันอยู่ด้วยกันก็ให้เข้าใจกันอยูเนี่ยแล้วเราก็จะเข้าใจโลกเข้าใจธรรม ก็อยู pied, tension, <c ười> <big to> <Calendar> ่กับโลกก็ไ okay. ด้อยู่กับธรรมก็ได้ไม่เดือดร้อนคือไม่เดือดแล้วก็ไม่ร้อนคือใจเมื่อมันไม่เดือดมันไม่ร้อนใจมันก็จะเย็นนั่นคือดับใจเป็นเย็นวันนี้ผ้ากันเคยกล่าวนําข้างต้นว่ากายมันจะนําลําบากน่อเกิดรู้ไปเก็ดเจ็บถ้าใจเย็นนะโอสบายจริงๆมันเหมือนกายครับไปนั้นก็ให้รู้จักกายเย็นและวก็ใจเย็นทุกคน แต่ถ้าไม่ทําไม่ปฏิบัติไม่มีทางใดที่จะเย็นที่จะดับได้เลยอันนี้คือวิธีทําให้ใจเย็นใจดับดับได้มากได้น้อยแล้วแต่เราเอาเชื้อที่มันเติมเข้าไปฟืน้นเข้าไปถ้าเชื้อออกเยอะมันก็เย็นเยอะออกน้อยมันก็เย็นน้อยคือร้อนอยู่นั่นเองนั้นถ้ามีอยู่แล้วก็จะไปเติมให้มันหมดไปโดยอันตโนมัติถ้าเราไม่เติมเข้าอีกฟื้นอย่าไปใส่ฟืนฟ้นเข้าไป เดี๋ยวมันก็ดับโดยแต่มันทับไปมันจะดับจะดับไปเติมเข้าไปอีกมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกนะจิตมันก็ไปดับสักทีมันกินเลสมันไม่ดับสักทีมันไม่รู้จักความดับสักทีนะแล้วใครเดือดร้อนเราก็เราเดือดร้อนเป็นนั้นก็ขอพูกเราทั้งหลายได้นําสิ่งนี้เป็นโอปัณจิโกคือน้องก็ทำการทีุกวันฝึกอย่าง น, ออางนี้เป็นพื้นฐา น, น, นว่าใครใหม่ใครเก่าก็ใช้ฝึกอย่างนี้ เป็นประจำจนจนชำนาญมาว่ากำหนดทีเดียวก็ให้ใจมันอยู่ที่สมองน้ก็รู้เกิดผ ร, รู้ขึ้นมาก็มีแต่รู้ก็พิจารณาให้มันกระจ่างแจ้งในทุกเรื่องก็จะชื่อว่าการดำรงชีวิตอยู่โดยอาศัยสติปัญญาเป็นมหาสติเป็น ม, านมาหาปัญญาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็จะสบายกันทุกคนก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายสําหรับวันพระวันศุกร์วันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้